Book 2สิเอดนึ่สเดือนมกราคมสตุดกุมภาพัน์ลูท ы. มีนาคมสควิกเมษายนกระสวิกพฤษภาคมไม่มิถุนายนชเชร์วิงมีอยู่หกเดือน มกรก า, าคมกุมภาพันธ์มีนาคมสตุเดนลูทซ์ส ก, กวิกเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนครัสวิกไมอิชเชริงการากดาคม ลิงสิงหาคมจนิวินกันยายนเวอรสินตุลาคมคัสตริชนิกพฤศจิกายนลิสตาพัตทันวาคม และยังมีอีกหกเดือนด้วย ก, กระกะดาคมสิงหาคมกันยาย น, น, น, น, นตุลาคมพฤศจิกายน และธันวาคมกันยลิสต е ж า н ь